แก่ไปแก่ไปแก่จนแก่ไปเลยเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็ไม่เห็นหูก็ไม่ยินอะละพันอย่างบางทีก็พูดถูกถูกผิดผเหมือนเด็กนั่นเองมอืมมันเด็กนั่นเองอืมันเด็กนั่นเองนั่นลูกหลานทั้งหลายนั้นจะให้คนใจมากให้ปล่อยฮให้ปล่อยคนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อย คนที่เป็นสบายเนี่ยอย่าไปถึงเลยปล่อยจ้ะให้ตามใจทุกอย่างนะที่เนี้ยเราปล่อยนะเหมือนเด็กๆเด็กๆที่เราเปิดมาอะไรมีฟังพอแม่ปล่อยทุกอย่างนะปล่อยให้เด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้อมไห้ไม่ให้เด็กขัดใจอะไรนี้พอเแม่ของเราแบบนี้เหมือนกันสัญญาณมันมีแต่ล่าแต่แรงคนแก่ บางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปเรียกคนหนึ่งลูกหลานเรียกล้านคนหนึงไปถูกคนหนึ่งจะเอาเรียกเอาอบอกเอาขันมาก็ได้จานมาเรียกเอาแก้วมาก็ได้อะไรก็ ม, มีมมันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นนะอันนี้พกอให้ยกให้พิจารณาไอ้ที่คนป่วยเนี่ก็เป็นให้นึกถึงคนที่พยาบาลมีคุณธรรม ให้อดผิดทนต่อทุกขเวทนาคืเ อ, อเวทนาส้าละัดอย่างซึ่งมันเกิดมาให้อดกล้างในทางเพี้ยนออในใจของเร า, าให้มันหุ่นวาย่ยาให้มีความลำวากยากจนเกินไปแกผป่ผู้กฏิบัติอปปะทาของเราผู้ปปะทาก็ไม่ควรจะทำยาลำเกลียดนำโมกนำร้ายอุดจระประวุะอะไรต้องพยายาม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 กตัตตาโยกัตตเวทีกักตตาโยก็กัตตาเวทีนี่เป็นธรรมที่ขนองจงกันด้วกันนี่กนะัตตาเวทีก็ทาความดีมาแล้วใครทำความดีก็เรามาใครสงเคราะห์เรามาเขาเลี้ยงเรามาใครเลี้ยเรามานี่เป็นคนกตัตตเวทีที่เราให้ความเป็นอยู่ของเราหนึ่งคนนั้นแหละ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 อันมีความขัดข้องโลภการใดเราก็ต้องเสียสะละรับผาละทุระอันนั้นช่วยท่านเกากระทำอยู่กระตเวทีี่เป็นธรรมที่ความยืนยงอยู่ให้วงตะโกนของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อืมอันนี้แหละวางใน อาจะมาเลยฝากเทศฝากธรรมะคำสอนมาฝากยายในเวลาเจ็บป่วยนี้โดยความในสำนึกน้อมมาอาศัยคนหมออุทยัยซึ่งเป็นลูกๆของโยมนั่นแหละถึงผู้เปนตเาแห เป็นภูมิคตันอยู่กันตลอดที่อย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอาอาตมาก็ไม่มี่จะฝากวัตถุชิ้นใดขึ้นหนึ่งมาอยู่ที่ว่ามันเยอะแยะเลยนะ่ะเอาไปเอามา ม, านมาันละำ่ากนะอาตมาจึงฝากธรรมะที่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไม่เป็นที่มันเป็นแก่นเป็นสารถึงใหญ่ย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 ยังนั่นอวัยวะทุกส่วนนี้ถ้าถึงระยะทยอยกันไปดี่นี่มีทนั่นค่ะคุณยายทีทจะนาอย่างนี้แล้วมีจะเห็นว่าอันิีจังมันเป็นของไม่ที่นึงทุกข์ขงมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไอ้ร่างที่เราโยมอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้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 กทสิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมสิ่งที่เป็นน้ําก็เป็นธรรมแคนั้นเราต้องอยู่กันด้วยธรรมะคือธรรมอยู่ในธรรมมันเป็นธรรมอ่ะตัวของเราจริงๆที่ไหนมันก็ไม่มีมันเป็นธรรมะถ้าภาพธรรมนองก็เกิดนแหนมกับหลับไปเกิดแนนมก็หลับไปสภานาธรรมเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแหนมีความดับแล้วก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเรียนเนี้ยมันเป็นอย่างนี้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 ดังนั้นให้เข้าใจใชว่าที่นี่ทุกคนแม้ตลอดปลวกหรือมดที่แต่ตัวนิดๆก็ตามเทีนะนะเขาจวนเ อ, อ, เ อ, อพยายามจะหนีกันนะไม่มีใครอยู่สักอย่างไอ้จรงทีนี่ชีวิตอยู่ไปพอกนะวรเนี่ยพวก็ตายกันทั้งนั้นอ่ะทั้งคนจนทางคนร่ำรวยทางเด็กทั้งคนแก่ทางสเศรชานให้จรงที่ชีวิตอยู่ในรอบนี้มันแปไปเปลี่ยนไปอย่างนี้ นี่จะนั่งอุยไรเรารู้สึกว่าโลกนี่มันเป็นอย่างนี้แล้วน ะ, นะว่าน่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อมันอะไรมันเป็ น, น, เ, ปนเป็นตัวของตัวมัวนนะั้นเบื่อหน่ายนิพพิธาความเบื่อน่ายเมื่อนายมนไม่ใช่บารมีรังเกียดแตไม่ใช่บามังเกียดนะไม่ใช่รังเกียดนะ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 แปลงมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้ น, น, น things, ในที่ตัวอนิจจังพูดยังไงตัวอนิจจังนั่นแ่ะตัวพรลละพุทธเจ้านะถ้าเราพอไปเห็นอย่างจริงจังอะอนิจจังเป็นของในเที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นอนิจจังแล้วอนิจจางของในเที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปก็มันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงมันจะเม็อย่างนั้นแหละไม่แก่เป็นอย่างอื่นมันก็ถัดเกิดขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้น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 สงบจากการถอยกับสงบจากการหยุดอยู่เนี่ยในความสุขนี่ก็ไม่ใช่ที่อยู่เราไอ้ความทุกข์มันไม่ใช่ที่อยู่ของเราอืทุกข์มันก็เสื่อมสุ ข, ขมันก็เสื่อมทั้งนันเนี่ยบัดนี้พระบร ม, มโคดินเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงนี้มันเป็นของไม่ที่นี่นี่ฉนนทันพิณช้อนให้พวกเราทั้งหลายถึงเวลาสุดท้าย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 มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกันหรือข่เหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายมปนล้โศกเศร้าวุ่นวายร้องไห้เจ็บใจสารพัดอย่างหลงไปอยู่มันลงนะดีคนจะตายไปร้องไห้ีิไร ล, ลำพันธตัง้งแต่ไหนจะไลไรมาไม่เคยใครทีจรน่าให้ชัดแจ้งนะให้ความจริงงอาจจะมาเห็นเ่าหลัเขาโอกาสเลยนะวะ ถ้าจะร้องไห้กับคนตายนะี่ยร้องให้กับคนที่เกิดมาดีกว่าอ่ีคนที่เกิดขึ้นมานะั้นหรอกว่าเออแด้ไมนกลับกันเนีถ้าคนเกิดมาเราโยมเราทำอะไรหัวเลาะดีอกดีใจกันทิ่มบานไ อ, อความเป็นจริงเกิดนั่นแหละคือตายตายนั่นแหละก็คือเกิดต้นนั่นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักอือ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 อืถ้าเราไม่ทิ้งมันเฉยมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเลยอือเอาไว้เฉ่าะร่างกายของเราเนี่ยมันพยายามจะหนีอยู่แล้วนะเห็นไหมรูม้ง่ายๆลไอ้เกิดมาเป็นหนุ่มเป็นน้อยผมมันก็หลําปี้ใช่อหมบางทีมันงอที่เรียกว่ามันดีแล้วนะอนี่คือเรามันหนีนะตาเรามันสว่างสวัยดีเป็นเด็กเป็นหนุ่มนะ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 ท, ทิ้งตัณฑ์ดวงเราวิญญาร่างกายเราเนี่ยสุขุญยายหรือคนทุกๆคนอย่างเนี้ยเขาพยายามจะหนีไปนเนี่ยหรือในร่างกายนี่เขาพยายามจะหนีนะฮะโหจะมูกลื่นกายทั้งหมดเขาพยายามจะหนีทําไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่โวคราวาเลอบอกไปไม่ว่าในตัวของเราละทั้งหมดอริยมร่ยผมก็ดีขนกนี้ แล็กก็ดีฟันก็ดีนังนก็ดีทั้งหมดแหละเดี๋ยวนี้เขเคียนระ์หนีเลยะหนีเขาเคลียร์หนีไปแล้วพยายามหนีก็หนีไปบ้างแล้วเพียมไม่หมดยังเหลือแต่คนเศร้าบ้านอยู่ดูเล็กน้อยเศร้าบ้านก็ยังจะไม่ค่อยดีเลยตายก็แสงก็ไม่ค่อยดีไอ้ฟันดีก่ก็ไม่ค่อยจะดีหงนี่ก็ไม่ค่อยจะดีรํางกายนี่ก็ไม่ค่อยจะดีทำไม ก็ว่าเขานี้ไปบางแล้วทยอยกันไปนี่นี่นี่ทยอยกันไปนี่นี่หอ ย, ยเขาจะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักโจคราวเท่านั้นแหลกตก็ไปยานั้นมีวอ ม, ม่คนห่วงยายอะไรมื้งหรอกไม่มาอยู่ในโล ก, กว่าพิจนาโลกอันนี้มันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเขาถี่นั่นจะดีกันแล้ว ลอคิดดดีด่ดไปดูตามสภาพร่างกายดิว่ามันมีอะไรเหมือนเก่าไหมร่กาเหมือนเก่าไมหนังเหมือนเก่าไหมผมเหมือนเก่าไมตามเหมือนเก่าไหมหูเหมือนเก่าไหมฟันเหมือนไหมไม่เหมือนเยอะก็ไปที่ไหนกันหมดแล้วเนอะนี่ทำไมฉ า, าเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่แล้ว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 จิตเรากระวนกับอะไรไงจิตเราเป็นห่วงใ ย, ยไงใี้ตรวจดารู้จิตของเราในเวลาที่เราป่วยนี่อย่าไปเอาธุระของโลกมาทำอย่าไปเอาธุระของหลานมาทำอย่าเอาไปเอาไปเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าเอาธุระของอะไรอะไรทั้งปวงมาทำท่านั้นแหละใช่นาทีของเราในเวลานี้เราคนกับลอยแล้ว เราควรจะวางแล้วออาการที่ควรจะปล่อยจะวางนี้จะทําความให้สง บ, บนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่เราจะต้องทําในปัจจุบันเมื่อเวลาเราป่วยอย่เดียดนี้ให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยเขาซะเรื่องรูปก็ปล่อยเขาจะเรื่องเสียงก็ปล่อยเขาซะเรื่องกลิ่นก็ปล่อยเขาซะ เรื่องรถก็ปลอยเขาจะร่อนอะไรอะไรก็ปล่อยเขาแล้วเราจะทำธุระนาทีของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก่อนหนม่งในใจอย่ามากวนฉันมันใช่ธุระนาทีของฉันความมีภากษ์วิจารอะไรก็ตามบาเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเรากลัวในทีกนทก่กลัวอันตรายถ้าเราจะตายอย่างนี้เป็นต้น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 สร้างึืนสะสวยใหญ่โตก็ได้นะสร้างสร้างบ้านข้างนอกใครใครก็สร้างกันได้ถึงนั้นแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ขันธ์ใหกว่ามั น, ม, นมันบานข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันที่บานโดยสมมติบ้านอยู่นี่เลขหกมันก็เป็นไปนตามเลขหกนั่นแหละอีบางคนก็ลืมนะในบ้านใหญ่บ้านโต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 อีเยอะกว่เพราะอันนู้นเยอะกว่าเพราะอันนี้เยอะห้องอันนั้นเยก็่าห้องอันนี้อยู่อย่างเนี้ยเยีะกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านทางไหนมันเป็นบ้านทางนอกอีกแต่เยอะวันใดวันหนึ่งแล้วก็เลิกบันเทิงแหละบ้านนี้แล้วไม่ได้อยู่หรอกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราบ้านทางในก็คือสกลร่างกายของเรานี่เองก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีก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 อย่างคุณยายนะ ล, ลองคิดตดูที่ในเวลานี้มันเป็นอย่างไนะคิดมาดูแต่วันเราเกิดมา เ, เรื่อยมาแบบนี้ให้เราเดินหนีจากเอเอความจะเดินอยู่ในโลกนี้เดินไปนี่เราเดินไปนี่เราเดินไปนี่เดินมาเดินมาจนจนแก่จนเก็บขณะที่ไม่พยากให้เป็นอย่างนี้ข้ามมันก็ไม่ได้มันก็ไปเพรามันอยู่อย่างนี้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 ถึงแม้ว่าจะเหน็ดจะเหนื่อยก็ยิงที่ให้โยมทําจิตให้อยู่กับลมหายใจสูดหายใจออกยาวๆสูดลมเข้ามายาวๆหายใจไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมพุถโธกุโธ โ, โดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไรก็ยิ่งกำหนดจิต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 เอานื้อุทธูอทปล่อยวางข้งนอกให้หมดอย่าไปเกาะกรลูกอย่าไปเกาะกระลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งวงทงั้งเรื่องให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตดรงที่อันเดียวรวมให้กำหนดลมเอากิดนั้นแหละไปรวมอยู่ที่ลมให้คือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องให้รู้อะไรมากมาย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 ไม่ส่งจิตไปทางอื่นในมันรวมอยู่ที่นั่นนั้นเรียกว่าเข้าถึงสเสารุธพระเจ้าของเราถึงแม้ว่าทานอรินิพพานไปแล้วนั่นก็เป็นพระพุทธรูปเป็นรูปกายกมีรูปแต่พระพุทธรูปพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างอันสวยัยอันเบิกอันบาน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 แต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิ ด, ด้วยปัญญาอย่าคิดโดยความงุ่นึกถึงลูกก็นึกถึง้วยปัญญาอย่านึกถึงโดยความงุ่นึกถึงหลานก็ในึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึ ง, ดงโงย alleine, งดยความงุ่อะไรอะไรทั้งหมดแต่เราคิดก็ได้เรารู้ว่มันก็ได้แต่เราคิ ด, ด้วยปัญญาเร า, าเรู้้วยปัญญารู้โยปัญญาก็ต้องปล่อย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 หูเลยฟังเสียงที่มันไพเราะสนสุกสนุกจับอกจับใจมัอนก็บเท่านั้นเลยใจฟังเสียงที่ไม่ไพเราะไม่จับอกจับใจมันก็เท่านั้นแหละอย่างนั้นประพุทธญาติที่บอกว่าทั้งคนร่ำรวยทางคนทุกจนทางผู้ใหญ่แล็กกับทางเด็กตลอดทั้งจจตฐานทั้งหมดด้วย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 พระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้เท่านั้นอิใจนี้ว่ามันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเป็นของสมมติเช่บว่าบ้านของคุณยายก็เป็นของสมมติว่าเป็นบ้านของคุณยายเท่านั้นอืจะเอาจิดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพิสถานซึ่งเดียกว่า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 เมื่อไปมีปัญหาก็ไม่ต้องจะเป็นทุกข <c oughs> ์ปฏิให้โยมใหญ่จงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สุนทรภิษัทสมาสังคทีิเจ้า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 เจ็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้รู้จักตังจิตให้มันนีคนที่รักษาข้อแม่ก็ดีมันการก็มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียดอีนทนี้ฉน้องคุณพ่อแม่ของเราเวลานี้เท่านั้นแห่ะอืม่วนต้นเกิดมานะเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ อาใส่พ่อใส่แม่เราต้องเติโตมาแัดนี้ได้มาอยู่เดี่ยนี้นั่งรอมกันอยู่เดี่ยวนี้พราะพ่อคุณพ่อคุณแม่นี้รามาสารพันอย่างแต่พ่อแม่นี้ดูมาสารพัด อ, อ, อย่างแล้วมีบุญคุณเนื้อที่สุ ด, ดยอย่างเกินเนื้มีบัดนี้ลูกหลานทั้งหลายทุกๆคนอยากให้เข้าใจว่าบันี้พ่อแม่เราเป็นเนื้อ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 หลานทั้งหลายนั้นเนี่ยให้กำใจมากให้ปล่อยนะให้ปล่อยใหย้คนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยใอ้คนที่มันสบายเราอย่าไปถืออะไปล่อยซะให้ตามใจทุกอย่างนะที่เนี้ยเราปล่อยแลเหมือนเด็กเด็กนะเด็กเด็กที่เรเปิดมาอะไรไม่ฟังพอไม่ปล่อยทุกอย่างนะั้ะปล่อยให้เด็กมันสบายให้เด็กมันร้องให้ให้เด็กขัดใจอะไรเ น, ร น, รนี้พอเงียบของเราแบบนี้เหมือนกัน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 มีคุณธรรมให้อดผิดทนต่อทุกค้าเวทนาเวทนาซาราพักอย่างซึ่มันเกิดมาให้อดกลั้นใม่ทำเพียนในใจของอย่าให้มันวุ่นวา ย, ยาให้มีความลังวากยากจนเกินไปแก่ผู้กริบัติอปปาทาของเราผู้ปปะทาก็มีคุณธรรมอย่าลังเกลียดนำโมกนำลายกุดจะละประชวะอะไรต้องพยายาม อืเท่าที่เราจะทํำของล้วได้ครูลู ก, ลกทุกคนจะช่วยกันดูในเวลานี้วันนี้เรามีพรหมจรรย์ทางนี้ยเราอาศัยมาได้เกิดมานี่เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกวานอบบ น, นี้อันนี้นคนือบุญคุณของท่านที่เรายิ้มเรามาให้ความรู้มาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรั์สมบัติเราทึ่เราจะนี้ อร่อยทุกอย่างมีลูกมีหลานมีมากมีช่องทีดีๆอะไรแล้วมีอาชีพดีๆถึงลูกหลานเนะี่ยส่งเสียลูกหลานให้เราให้เรียนตลอดตัวเรามีกับเพราะอะไรนี่คือคนของพ่อแม่ที่ถ่ายทอดรับมรรคตกทอดกันมาอย่างนี้ที่เป็นวงตะโกลอย่างนี้อย่างนั้นเราพวดตะวงกันอีกสอนว่าปารอยู่กับตเวที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 จะเป็นผู้ชายก็ดีจะเป็นผู้หญิงก็ดีจะเป็นยากนี่มีใต่ยากก็ดีนะ้เป็นคนกตเวทีกาปัานโูก็คือตัวเราโก ท, ท่านมีกตเวทีเนี่ยที่อุปถัมภะถานขนุวบังดุ ล, ลมาแล้วเราคิดเห็นบุญคุณของท่านเรียกว่ากาตันโยท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบาก ท่านมีความขัดข้องโลภการใดเรากต้องเสียสะละรับภาละทุระอันนั้นช่วยท่านข้ากตังอยู่กเตเวทีที่เป็นธรรมที่ควาจปูนหอกอยู่ให้วงตะโกนของเราม่กระจัดกระจายให้วงตะโกนของเราเรียบร้อยให้วงตะโกนของเรามั่นคงเป็นอยู่อย่างนี้อันนี้แหละวันนี้ตัดมาเลย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 เป็นภูมิคตันอยู่กันเติรมีทีอย่างนั้นจะฝากอะไรอะไรมานั้นอืออาตมาก็ไม่มีจะฝากวัตถุชิ้ในใดขึ้นหนึ่งมาอยู่ที่บ้านมันเยอะแยะเลยนะ่ะเอาไปเอกมา ม, านมาันละังว่านะอาตมาจึงฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้ซึ่งมันหมดไปเป็นซึ่งมันเป็นแก่นเป็นสานอารถึงใหญ่ย